จะฟังกันหรือยงังเพื่อรักษาสถานภาพวัดหรือศาสนาที่กล่าวกันมาตั้งแต่โบราณกาลว่าวัดต้องมีสถานภาพเป็นแหล่งให้ประโยชน์ทางปัญญาแล้วก็สอดคล้องกับช่วงเทศการปีใหม่ซึ่งถ้าเราไม่สืบต่อสานต่อให้สถานภาพแบบนี้ตรงนี้ วัดนี้ที่นี่วัดอื่นที่อื่นจังอื่นจะเป็นอย่างอื่นก็นแล้วแต่เขาแต่ตรงนี้ที่นี่หนาต่อแต่บัดนี้ไปเราจะต้องช่วยกันพยายามรักษาสถานภาพให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งให้ประโยชน์ทางปัญญาวันนี้ก็คงจะได้นาข้อคิดแก้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ความไม่เข้าใจ หลวงพ่อพุทธทาสพูด ท, ทิ้งไว้ปีใหม่ไม่ให้โงอ ป, ปีเก่าต้องไม่โงอ ป, ปีเก่าเนี่ยแล้วท่านเรายังไม่คิดเอามาทําแก้ไขให้มันหายโง่กันได้เนี่ยมาว่าเราเป็นชาวพุทธโดยชื่อก็บริษัทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุทะบริษัทเนี่ยแปลว่าบุคคลที่ไปนั่งแวดล้อมท่านผู้รู้แล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวก็น่าจะอนาจใจนะ วันนี้ลองเอาภาษิต ท, ที่ว่าโยคาเวชายติภูริซึ่งแปลว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการกระทําให้มันเกิดขึ้นต้องหาเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นเอาใครจาเหตุในเกิดปัญญาได้บ้างสองข้อลืมมันอีกแล้วไปให้ บาลโตะโคสะทั้งหูทั้งตาทั้งดูทั้งฟังเนี่ยถ้าเรามีวัฒนธรรมฝ่รู้ใช้หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาเพรารู้ว่าวันนี้อาทิตย์ต้นเดือนที่นี่จะมีการบรรยายธรรมก็คือมาดูมาฟังให้รู้ให้เข้าใจก็นี่คือต้องกระทําให้เกิดปัญญาเนี่ยมันต้องประพฤติกระทําปฏิบัติให้มันเกิดมันจะเกิดของมันเองลอยๆได้ไหม และตัวเนี้ยมันต้องใช้กำกับศรัทธาถ้าไม่มีตัวนี้มีแต่ศรัทธาโดดๆโดมาวัดมีแต่ศรัทธาเราก็จะเห็นหลายวัดที่ศรัทธากับอะไรตทมิอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการได้ปัญญาเลยแทบจะไม่ไม่สนองปัญญาเลยไม่เพราะบ่มอบรมปัญญาเลยเชื่อเขาลกเขาพงปราเดียวจะชี้ให้ดูว่ามันเชื่อกันยังไงถึงได้แย่มากขนาดนี้ ในสังคมพุทธหรือประเทศไทยที่เราเรียกกันว่าเชื่องมงายเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลและปัญญาเพื่อไม่หลงทางเพื่อไม่ได้เชื่ออย่างงมงายเราก็มีพระสูตรที่จะมาเทียบเทียงให้ฟังในอวคุจิตตะสูตรได้กล่าวถึงบุคคลสามจำพวกสามจำพวกนี้มีพวกไหนบ้าง พวกที่หนึ่งคือพวกมีปัญญาดังหม้อฟัม่มนะพวกมีปัญญาดังหม้อฟั่มเนี่ยก็ได้แก่บุคคลที่รับฟังหรือเรียนรู้อะไรก็ตามไม่เข้าใจเบียบเหมือนหม้อที่ฟัม่มซึ่งไม่สามารถจะรับน้ำที่เทลงไปให้ขังให้เก็บไว้ได้เลยแม้แต่เม็ดแต่หยดเดียวมันก็ลงไหลข้างหม้อไปปากหม้อแต่ไม่เข้าหม้อเหมือนคนมาฟังทุกวันพระ ทุกวันอาทิตย์ทมทีไลไม่เข้าใจตอบไม่ถูกแต่นี้เขาเรียกผู้มีปัญญาดุดมอกฟัม่มแต่ยังมีวัฒนธรรมใฝ่รู้อยู่ยังอยากจะรู้อยู่แต่ไม่เข้าใจจําไม่ได้ในตรเนี้คือไม่สามารถลองรับเอามาทำเอามาใช้เอามาปฏิบัติ เรียกว่าเทลงไปมันก็ใส่ลงไปกี่วันอ่านกี่เล่มฟังกี่รอบอ่านจนหนังสือก่อแพงสตมองก็ไม่ตกไม่ค้างข้อที่สองท่านเรียกว่าผู้มีปัญญาเหมือนหน้าตักข้อนี้ฟังอยากไหมไม่อยากนะก็ได้แก่บุคคลผู้ที่รับฟังหรือเรียนรู้อะไรแล้วพอเข้าใจได้บ้างแต่ หลังจากนั้นก็ลืมหมดเข้าใจตอนฟังพวกแรกหนึ่งไม่เข้าใจเลยพวกสองเข้าใจตอนฟังแต่ว่าหลังจากนั้นก็ลืมหมดเปรียบเหมือนคนที่กําลังนั่งเคี้ยวกินขนมต่างๆอร่อยอยู่ที่วางอยู่หน้าตักเนี่ยเคี้ยกินอร่อยอยู่แต่เผอตัวลุกขึ้นมาหลยขนมกองอยู่แถวนั้นเน่ ไม่ได้ติดปากติดท้องไปเท่าไร่เลยไม่ได้ฟ้าติดไปด้วยคือลุกขึ้นขนมก็หล่นลงกับพื้นหมดคือความรู้ความเข้าใจที่พอเข้าใจตอนฟังเนี่ยแต่พอลุกหรือกลับบ้านไปแล้วไม่เคยเอาไปสัทยยายขบคิดท่านเรียกว่าบางทีเหมือนกับไวายที่มันกินหญ้าเนี่ยเวลากลางคืนมันเอาไปทำาแไรเขี้ยวอืองแต่ใครฟังว่ตอนบ่ายเนี่ย เย็นกลับไปบ้านเอาไปเกี่ยวเอื้องเอาไปทบทวนใคร่ควรรอบขอบดูไหลเที่ยวไหลหนนชักจะเริ่มเข้าใจอย่างนี้เ็าเรียกเก็บไปคิดเก็บไปทำแต่ถ้าลนอยู่ตรงเก้าอี้ข้างหน้าอาตมานี้ก็เรียกว่ากันเลยเปล่าเสียเวลากันทั้งคู่นะนประเภทที่สองส่วนประเภทที่สามเนี่ยถ้าเรียกว่าผู้มีปัญญามาก ก็ได้แก่รับฟังเรียนรู้อะไรแล้วก็เข้าใจแล้วก็จำได้ไม่ลืมขึ้นสมองเลยเข้าเป็นสายเลือดเลยจำติดใจเหมือนหม้อไหยซึ่งลองรับน้ำที่เทลงมาได้หมดเก็บไปได้หมดจาได้หมดแถมยังเอาไปทดสอบทดลองได้ผลชัดเจนอย่างหมดจดด้วยอันนี้กันเรียกว่าผู้มีปัญญามากสามารถเก็บเอาไปใช้ เอาไปทำความเข้าใจไปถ่ายทอดคนอื่นได้อีกโอ้ยเดี๋ยวนี้สุดยอดคนที่สามประเภทที่สามบุคคลประเภทที่สามเนี่ยเข้าใจเก็บไปใช้ได้ถ่ายทอดให้คนอื่นมีลูกมีหลานไปบอกต่อวิธีการบอกต่อก็ชาญฉลาดมากโดยปัญญาไหวพริบรู้ว่าคนฉลิดอย่างนี้จะต้องถ่ายทอดแบบนี้แนวนี้อย่างนี้แล้วเขาจะฉลาดขึ้น โหคนอย่างนี้จะมีสักเท่าไหร่ที่วันนี้ถ้ามีมาฟังเยอะๆอาตมาก็ไม่ต้องเทศบ่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องขนฟ้ามากเพราะคนพวกนี้จะไปขยายต่อเพิ่มต่อทำให้ปัญญาของชาวพุทธเข้มแข็งขึ้นจะเข้มแข็งไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทที่สามเนี่ยถ้าประเภทที่สามนี้ไม่มีเลยแล้วก็ยุ่งและ คนที่ไม่เข้าใจเลยประเภทที่ ม, รรมั่วฟัําประเภทปัญญาหน้าตักคือเอาอะไรมาเคี่ยวมากินขนมกินหน้าตักพอลุกขึ้นเพลิลุกขึ้นลืมหมดเลยที่วางที่กองที่เหลือก็ไม่เอาไปแม้แต่ไอติได้แล้วก็ไปหล่นกลางทางอีกยังไม่ถึงหน้าวัดเลยล่วงแถวแถวข้างน้าว <c oughs> อันนี้ก็แย่กันเนาะ เอาละแต่ว่าต้องชมถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ฟัําหรือวางหน้าตักแล้วหล่นหมดแต่คอยมีความอดทนที่จะนะฟังให้ดีฟัําอยู่ไงก็เดี๋ยมันอาจะไหลย้อนเข้าไปได้หม <c oughs> เออเพื่ออะไรย้อนเข้าไปได้หมดไม่แนนะเผืออข้างมอมันไม่รู้ <c oughs> มันไหลแล้วมันซึมเข้าไปเอาเถอ ถ้าไม่มีข้อหนึ่งเลยนี่ก็แย่แหละคือไม่มีอยากรู้อยากฟังหูตาไม่เคยแวะเวียนเข้ามารับรู้รับฟังวัดไหนใครเทศสอนสั่งยังไงก็ไม่เคยไปไม่เคยรู้เรื่องสักเรื่องหนึ่งที่นเกี่ยวกับศาสนาที่ถูกต้องชัดเจนดีงามรู้แต่เปิดเปลือกพิธีลีตองไม่มองเห็นแก่นแท้ที่สามารถระงับดับทุกข์ให้กับตัวเองและสังคมเอาตอนนี้ต่อมาท่านก็ ได้จำแนกปัญญาไว้อีกจำแนกไว้เจ็ดเจ็ดปัญญาเพื่อเราจะเรามาตบทวนเทียบเคีย่ยวดูปัญญาพื้นฐานต้นๆท่านเรียกว่าโลกิยะปัญญาคือปัญญาที่ยังคล่องอยู่ในโลกทั้งสามก็คือมีปัญญารู้เรื่องกรมโลกรูปโลกอรูปโลกภาษาตอนนี้เริ่มจะฟังยากคือมีปัญญารู้เรื่อง รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่นๆพอรู้ว่าสัมผัสเดียวมันก็จางจืดไปจะกินอะไรอร่อยลิ้นอร่อยปากอมไปนานๆมันก็จืดก็จางถึงกินมากๆบางทีก็เบื่อก็อิ่มก็เอืมอมละท่านเรียกว่ารู้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้าใจว่ามันคือเหยือ่อลวงโลกเรามันฉกเวลาเราไปเรื่องแบบนี้ หลงไหลก็รูปสวยๆเสียงเพราะๆกินอหอมๆรสอร่อยอร่อยสัมผัสนุ่มนวลบางคนนี่หัวปักหัวป่ำได้รูปสวยมาเสียงเพราะมาหลงไหลถ้าเป็นทับตายไม่เคยงโง่หัวมาถอนตัวออกจากความหลงเลยอย่างนี้เขาเรียกหลงรูปหลงเสียงหลงรสหลงกลิ่นหลงสัมผัสอย่างชนิดหัวปักหัวป่ำที่มีอยู่ในโลกนี้ ในโลกนี้ไปตรงไหนมันก็มีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยให้เราเห็นแล้วมันจะสวิงกับตอนโง่ตอนไหนหรู้ไหมถ้าวันไหนเจอรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสหยาบกระด้างวันนั้นจะหัวเสียอารมณ์เสียหัวฟัดหัวเวียงนี่คือโง่อาการโง่ต่อกรมมาโลกลร ป, ประมวลรูปมาโลกก็คืออะไรที่มัน เราชอบกันแบบเขาเรียกอะไรครับอธิบายแบบหลวงพอ่อพุทธทาสกันบอกว่าลูกที่ไม่เป็นที่คลั่งไคล้หลงไหลแบบกสันกาหนัดแต่มันก็เป็นที่ติดอกติดใจเช่นเขาเล่นเครื่องไร้ครามเขาส่องดูพระเครื่องกันเนี่ยยมเคยเห็นไหมใช่แต่ถามว่าเขามีกําหนัดไหมเฮ้ยขัดเครืองไหมเ้าก็ดูเพลนเพลินก็น รูปในโลกนี้ดูได้เพลินเพลินเ็าเรเป็นรูปะโลกพวกนี้เป็นรูปะโล ก, ก, ลโลกคือคนที่หลงอุปโลกว่ารุ่นนี้รุ่นแพงรุ่นเก่าของแท้ก็ไปส่งลงไหนรูปหลางของจริงเหล่านี้แล้วก็ยึดติดเขาเล่นกันแพงกันนะเหลียนรุ่นอะไรรุ่นสมเด็จอะไรเนี่ยก็ตั้งสี่ล้าน เราระวังน้าแย่งฆ่ากันนะจะเอาพระสมเด็จและนึกว่าสมเด็จจะคุ้มครองเรานะเรามีสมเด็จแลงๆนะต้องคุ้มครองท่านให้ดีเพรอย่างนั้นมันฆ่าเราเอาทันไปนี่เราก็มาทุกข์มาตายกันเรื่องลูกถือกันให้คุ้นค่ากันว่ามันเป็นเก่าเป็นของโบราณต้องโอ้ดูแลรักษากันนี่โยกเขาว่าผลตำรวจโทรที่แกโดนจับเนี่ยแกก็มีของพวกนี้เยอะ ทั้งดอมทั้จริงเก็บสะสมเป็นบ้านๆเป็นหลังๆเลยเป็นก็ดังเป็นตั้งเลยคนที่หลงลุบในโลกนี้มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกันหนักเบาอันไหนหนักกว่าระหว่างกรรมโลกกับรูปรโลกกรรมโลกหนักกว่ากรรมาโลกนี่มันหึงหวงแย่งชิงแต่รูปโลกเนี่ยก็แย่งชิงเหมือนกันแต่ความกำหนัดหึงหวง ไม่ค่อยมีก็เป็นเหมือนกับเขาได้มีความสุขกับรูปร่างของเกา่าตู้เกา่าเตียงเกา่าตะช่างเกา่านาฬิกาเกา่าโ้หาเล่นกันนาดูนะหาเล่นกันเยอะแล้วก็สะสมหมดเงินหมดทองกันหลายล้านแล้วก็ติดใจนั่งดูนั่งชมเพลินอยู่กับรูปพวกนี้ หรือถ้าเปรียบเทียบสูงกว่านั้นก็คือพวกเล่นกัดสินเพ่งไฟเพ่งดินเพ่งเทียนอรจุดเนี้ยเพ่งจนกระทั่งจิตใจเนี่ยไม่ไปไหนเลยเพ่งนิมิตลูกติดตาทำเป็นเหมือนปุยนุ่นใหญ่ขึ้นเล็กลงสว่างสวัยที่ปลายจมูกที่เขาเรียกเล่นลูกประชานก็ได้ แต่เราเรียกเป็นภาษาทางนี้ก็ว่าลูกประโลก อ, อีกตัวหนึ่งก็คืออลูกประโลกอันนี้ได้แก่อะไรไม่เป็นรูปเช่นชื่อเสียงกิติศัพท์บุรินบาลามีไม่เป็น ร, รูปอะบางคนนี่ติดบุญปปีปหนึ่งไม่ได้ทำบุญ น, นี่จะตายเลยแหมก็เลยก็คนนี้ใจบุญและไปใจนี่มันไม่เป็นรูปะนะมันไม่เป็นรูปเป็นล่าง เป็นของที่มีอยู่ประจำโลกเหมือนกันพวกชื่อเสียงบรารมีถ้าเปรียบไปะชงนชั้นสูงก็เรียกแบบพวกไม่สนใจทั้งกามและทั้งลูกเลื่อนจิตสูงขึ้นไปถึงอรูปฌานอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องฟังอธิบายโนะยมโยมก็คงไปไม่ให้ถึงอธิบายเองก็คิดว่ารู้มากอยากนานอธิบายเกินเหต ไปก็เดี๋ยวก็เสียเวลาเอาแต่ว่าเข้าคราวไว้ว่าถ้าเรายังสนใจอรูปที่มันเป็นที่ต้องการของคนคือชื่อเสียงบารมีสันเสริญยกย่องมีไหมหลุดสันเสริญหลุดไปคำหนึ่งนี่มันเป็นรูปเป็นก้อนเนี่ยมีไหมไม่ใช่มันเป็นเพียงสันเสริญให้ศีลให้พรโยมชอบพังกันให้พรเ น, นี่ยเอามาชักลาคาญโยมไปบินธบัตตอว่าเรา เพราะว่าพระที่ยืนเน่ะท่านไม่ไปไหนเนี่ยืนก็ให้พรยาวสิไอเราด้เดินไปเรื่อยกระวนนี้เดียวอายุกันโนสุ ข, ขังไปแล้วทำไมไม่เหมือนหลงตานโ้นให้พรตั้งยาวท่านทําไมขี้เกียจเหรอเดี๋ยวหาว่าเราเป็นพระขี้เกียจบางคนเนี่ยติดแม่กระทั่งให้สินให้พรยาว มันไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรหรอกให้แล้วมก็หายไปกลางอากาศแต่ความชอบความประทับใจความติดความยึดในคำชมคำให้สินให้พรคำยกย่องเยินยอสรรเสริญอันนี้ก็ติดได้เหมือนกันะถ้าเป็นแนวปฏิบัติเ็าเรียกว่าสละทั้งกามาโลกและรูปรโลกที่เป็นรูปเป็นพวกรูปรสกินเสียงนี่ไม่เอาแล้วขยบสูงขึ้นไป ขยับจิตมองเห็นว่าไอ้สองอย่างข้างต้นนี่ยังปัญหาเยอะปัญญาดีขึ้นมาเยอะแล้วนะไม่เอามันปัญญาขยับขึ้นมาแล้วเล่นของพวกนั้นเหมือนเด็กอนุบาลเรามันโตแล้วคืนอุดมศึกษาแล้วของเล่นมันก็จะขยับขึ้นถ้าเด็กเนี่ยมันจะเล่นของเล่นเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันถ้ามีลูกมีเสียงด้วยเดี๋ยวนี้เขาประดิษฐ์ของเล่นเด็กเนี่ยมันจะออกเสียงออกลูก ถ้าเด็กจะชอบเนีย่ยไอ้พวกเรื่องกดเกตอะไรเนีย่ยเนี่ยมันมีลูกนะแต่ถ้ามีแต่เสียงไม่มีลูกมันชักเล่นน้อยก้าทั้งไม่ลูกไม่มีลูก ไ, ไม่มีเสียงแหละ ว, ว่างๆเล่นกับความว่างชักไม่ค่อยเล่นแล้วเออแต่มันก็มีเหมือนกันนะคนที่เขาไม่แต่งงานนีเก็ เ, เลน่นอะไรมันก็เล่นกับความว่างอยู่กับความว่าง ไม่ต้องมีลูกมีกัวไม่ต้องมีอะไรมากวนจิตใจเ้าชอบความว่างชอบอยู่แบบว่างแบบโสดแบบไม่มีอะไรมาผูกพันร้อยลับมัดติดไม่ต้องเห็นรูปใครฉันก็อยู่สบายของฉันได้นะบางคนไม่ได้กูอยากจะอยู่ใกล้คนหล่อหลอ mm hmm. ผู้ใจก็ว่ก mm hmm. กูอยากอยู่ใกล้คนสวยทำนะมึงแก่เมื่อไรไม่สวยกูก็ชักเื้อมอยากหาใหม่กั็กิน ใจมันยังไปไปอยู่เขาก็เลยมองเห็นว่าไม่ไม่ดีมันยังไม่ฉลาดก็เลื่อนขึ้นมาอย่างกระทั่งอยู่ลงลงว่างว่างเราเคยมีมาแล้วเคยเล่นมาแล้วแต่พอแก่แเราเราเลื่อนขึ้นสูงอีกหน่อยได้ไหมถึงจะเล่นของเล่นที่เป็นรูปเป็นเสียงอยู่เออเยมันก็มีเลื่อนขึ้นมาบางคนนะเคยมีลูกเคยมีผัวมา พอมันทิ้งมันตายก็กูขออยู่ล ง, ล ง, ลงๆวางๆไม่ต้องมีลูกมีรถมีกิน่นมีเสียงมากูก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้อย่างนี้เขาเรียกระดับปัญญามันขึ้นมาเยอะแล้วมันก้าวขึ้นมาขยบมาเยอะแล้วแต่อีพวกขาดไม่ได้เลยไอ้พวกนี้ขอหาทางประดิษฐ์ผลิตสวยงามเสียงเพลาะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลไว้เรื่อย ถ้าไม่มีเหล่านี้มาปลัปลโลมเลยเนี่ยแท็บจะไม่มีชีวิตจีมีชีวาไม่มีสดชื่นไม่เบิกบานไม่เรืองร่าไม่สนุกไม่เป็นสุขไปเลยสวดมนเนี่ยข้ามปีเนี่ยมันพวกเข้าเขตอันไหนอะลปบะโลกไอ้ที่จุดโคมเนี่ยมันพวกไหนพวกอะไรลุบปปะโลกกามะโลกมันจะวนมันได้ยินเสียงได้เจินแสงขึ้น โอ้โหแข่งกันของใครขึ้นเร็วขึ้นช้ามันก็ห ว, วาดใจก็ถ้าขึ้นไปแล้วมันร่วงลงมาก็ใจหายแต่มันขึ้นปื๊ดมัก็สบายลงขอกูหลุดแล้วแต่เป็นลงรังคาบ้านใครจีบหายยังไงช่างมันมีอะไรพวกนี้นี่เขาเรียกว่าอืมปัญญาที่เกิดขึ้นไปตามลำดับเจ็ดประเภทประเภทแรกเอาแค่นี้ก่อนประเภทที่สอง โลกุตะละปัญญาคือปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจว์่คือรู้เรื่องทุกเหตุของความทุกความที่ทุกไม่เกิดทุกดับลงและข้อปฏิบัติทำให้ทุกดับรู้จัดมากขึ้นด้วยได้ยินได้ฟังมาก็ดีคิดเอาเองด้วยเหตุ ด, ด้วยผลดยโยนิโสมนานสิการจนรู้เลยว่า ทุกมีสภาพอย่างนี้เหตุมันมาจากอย่างนี้แล้วตอนที่มันดับลงเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นอย่างนี้สบายใจอย่างนี้แล้วข้อที่จะทำให้สบายใจไม่ทุกดับลงเป็นนิโรธสัตว์เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยรู้เลยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเพื่ อ, อยังจิตให้สงบปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งชีวิตเนี่ย ไม่ไปทำอะไรผิดพลาดไม่ไปทำอะไรเสียหายที น, นี้เรามาดูปัญญาพวกนี้มันแย่มากในปัจจุบันมันคิดแต่จะประดิษฐ์ผลิตอะไรโง่โง่ามาเล่นมาทำมา จ, จุดดูสิเนี่ยน่าตกใจไหมมันยิงปืนกันเนี่ยนะไปโดนขาคนที่กำลังสวดมนต์ในวัดตอนปีใหม่เลยคืนเนี่ยแล้วโดนอีกสามหลายรวมแล้วสี่หลายที่ออกข่าวนะ ไอ้เชยวเชียวจบจ บ, บหนังไม้หูตาเกือบบอดยังไม่รวมไม่เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ไม่รู้สภาพทุกข์ที่ตัวเองเป็นผู้กอ่อไปตกอยู่กับใครแล้วก็ทุกข์แล้วจะรับผิดชอบไหมแล้ไอ้จุดโคมเนี่ยโอ้โหไม่น่านเชื่อเลยเป็นหล่นลงรถไม่สองคันเลยเป็นนักกีฬาเดียว่านั้นน่ะไม่ไปสองคันเลยเขาถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วก็ คือบินเกือบล่วงต้องขอวกกลับมาลงถ้าครืองบินตกก็ทำไงไอ้พวนี้นไม่รู้ว่าทุกจะเกิดจากการการะทำโง่งๆของตัวเองจะบอกกูถ้าคนฟังเทพจุดนี้ถ้าเป็นคนเหนือกอ็ไปจะถึงจองเวรจองกรรมกันเลยคุณกำลังทำปรเพนีขนมทำเนียมจารีดทางศาสนาแบบใช้ปัญญาหรือเปล่า ถ้าคุณใช้ปัญญาก็คุณ้องถามความจริงคุณรู้ความจริงไหมว่าโบราณทางภาคเหนือเนี่ยสภาวัฒนธรรมเป็นคนเผยแพร่เองออกมาพูดเองเมื่อวานนี้ว่าไอจุดโคมเนี่ยมันเป็นขนรรมเนียมแค่ลอยกระทงไม่มีตอนปีใหม่เขาใช้คำอย่างนี้ลอยกระทงเล่นไฟ ปีใหม่เล่นน้ำทุนเที่ยวลอยกระทงเนีเล่นไฟแต่พอตอนปีใหม่เนี่ยเล่นน้ำโยมอาจจะนึกยงหนาวจะตายเล่นน้ำได้ไงแต่ปีใหม่ภาคเหนือเขาเรียกเอาไงสงการสงการเดือนห้าร้อนและหนาวก็เล่นน้ำสงการก็เล่นน้ำพอลอยกระทงน้ำมันเยอะเพื่อไฟไหม้ก็น้ำดับทัน อะไรก็กงวางแผนอะไรก็เขาไว้ให้เล่นถูกกระดูดูหน่อยถัดดันเล่ น, น้านนี้หน้ า, นาแรงกำลังจะไหม้ง่ายเนี่ยน้ำก็แห้งแล้วคนรุ่นใหม่งโง่เองหรือฉลาดกราคิดเอาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องขนรรมรำเนียมจารีตประเพณีเทศกาลแบบไม่มีโลกุตละปัญญาแบบไม่รู้ในความทุกข์และเหตุแล้เกิดทุกข์ ด้วยความอยากโง่ๆของตัวเองนี่แหละไปสร้างทุกข์ให้กับเขารถเขาไหมเครื่องบินเขาตกทำไงบ้านก็ไหมแล้วก็อ้างว่าเราเกี่ยวข้องกับศาสนาปฏิบัติตามเทศกาลประเพณีขนบธรรมเนียมตอนนี้ที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือพวกเอาใจแขกคือพวกท่องเที่ยวเขาอยากจะให้การท่องเที่ยวที่นี่บูมเขาก็เอาตัวนี้เป็นอะไรสมัยนี้เขาเรียก จุดขายอะเออสวอตเป็นจุดแข็งจุดขายครัาที น, นี้ดึงของขนรรมเนียมจารีดระเพณีเทศการเข้าไปเป็นเครื่องมือจุดขายของการท่องเที่ยวเอาใจนักท่องเที่ยวตอนนี้รู้ไหมว่าภาคเหนือเกิด อ, อะไรขึ้นจุดทั้งปีไอพวกที่มีแหล่งท่องเที่ยวมันซื้อของพวกนี้ขายได้ด้วยทำมใหญ่ๆไ้เนี่ย เตรียมไว้จุดมันขายได้ด้วยแล้วคนก็ไปแฮ่จุดกันโดยอ้างว่าสะดเดาะเคราะ์ลอยเคราะห์ลอยบาปลอยกรรมแล้วในพระไตรปิฎกเรามีไหมว่าจุดไอ้พวกนี้ลอยไปแล้วกรรมก็ลอยไปแย่งผัวแย่งเมียใครก็มากำมหมดไปฆ่าใครก็ตายไปรักขโมยปนจี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ผลตํารวจโทคนนั้นไปลอยสักสิบอันจะได้ไม่ต้องติดคุกจะต้องไม่ถูกใส่กุญแจมือ นี่คือการเข้ามาเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมแบบปัญญาต่ำโลกุตละปัญญานี่มันแปลว่าปัญญาชั้นสูงพวกที่หากินรายได้กับพวกขนบรรมรำเนียมพวกเนี้ยความเชื่อพวกเนี้ยเอามาเป็นเครื่องมือในการดึงเหยื่อกดดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปให้มากแต่ไม่นึกว่าผลเสียมันจะตามมา จะมากุณเลยขอให้รักษาไว้แต่เฉพาะแถวทางนู้นเถอะอย่าลงมาแถวภาคกลางเลยถ้าลงมาในตึกเยอะบ้านเยอะมันก็จะไหมเยอะแถวโน้นก็แก่ไหมป่าไม่ดงไปเด <Yeah. S 1> คนไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ทำแบบไม่รู้เนี่ยมันสร้างปาัญหาแล้ววัดว่าอารามที่อยู่ที่นั่นก็คงพูดไม่ออก ถ้ามาขึ้นไปก็คงไม่พูดผมกมูเตะลงธรรมะไม่ทันถ้าไม่พูดไม่สอนไม่รู้ก็ต้องทำกันแบบไม่รู้ตาบอดจุงคนตาบอดไปไม่หลอดแต่ว่าตั้งมาเนี่ยคอยติดตามคอยคิดคอยแก้ถ้าเราเนี่ยคอยคิดคอยแก้ความไม่รู้ของชาวบ้านบ้างชาวบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นผู้รู้และรู้ระดับต่ำรู้ระดับสูงขึ้นมาได้บ้าง โลกิยาปัญญาเนี่ยคือรู้ระดับต่ํารู้แค่รูปกามรสกลิ่นเสียงจะเอาอยัางไงจะผลิตจาระมาได้ยังไงหรือจะบริโภครูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบบไม่ติดหลงเหมือนกินปลาไม่ติดก้างก้างของปลาเนี่ยก็ถือว่าเอาละใช้ได้มันยั ง, งพอมีปัญญาที่จะกินเล่นอร่อยไปกับรูปรสกลกิ่นเสียงสัมผัส แต่ไม่ถึงกับมาเจ็บมาตายกับไอ้ลูกรถสัมผัสที่มันเป็นพิษอ่ะไม่ทําให้มันเป็นพิษทําให้มันพออยู่เป็นสุขได้กามเนี่ยเขาก็ใช้คํานี้นะกรมมาสุขถ้ามันมีลูกมีปัญญามีความสวยงามมีความอะไรถึงพร้อมแล้วมันถูกต้องไม่ถึงกับหลงเต็มที่มันก็ยังพอมีชีวิตที่ก็อุปมาเหมือนไก่อ่ะทําไมไก่ตัวผู้ชอบขันชอบขันตอนไหนรู้ไหม ถ้ามันขึ้นทับตัวเมียเมื่อไหร่มันได้ขันมันภูมิใจมันเออมันภูมิใจมันเนียผู้ชายก็เหมือนกช่ไหมแต่ได้เมียสวยก็โอ้ปวดเพื่อนถ้าขันได้ก็ขันของกูสวยโอยอะไรทำนองเนี้แต่มันก็ของภูมิใจอยู่ข้างในอ่ะอยากจะตีปีกอวดเลยแต่ใครมีภรรยาสวยชอบพาไปโชว์ไหมโยมก็ชอบพาไปโชว์ไหม แต่ถ้าหน้าองกหน้า ง, งอดำปุ๊ดโด้วจัแทมขี้โกรธจะพาไปไยังไงก็ไนะอ้อการที่มันเป็นรูปสวยๆเสียงเพราะๆยิ่งถ้าได้ภรรยาพูดเพราะเจรจาดีเพื่อนฝูงฟังแล้วลื่นหูก็อยากพาไปก็ปลื้มใจเขาเนยะก็มันไก่ตัวผู้ที่มันทับตัวเมียแล้วมันก็ขันเจ๊เก็บอยู่แน่ๆตอนอื่น้าไม่ได้ทับไอ้ตัวแพ้นั้นไม่เยขันนะ ตัวแพ้ไม่ได้ขึ้นทับนี่มันไม่ขันน้องน้อยใจเมื่อไหร่กูจะได้ขึ้นบางมันขันไม่ไออกแต่ตัวที่ได้ทับเขาอธิบายว่าอย่างเงี้ยเออมันก็แปลกก็จริงเนยแต่ว่านั่นคือแค่กรรมกรมาโลกทวนรูปรโลกเลยขึ้นมาอารูปรโลกไม่ต้องอาศัยเลย อพูดถึงไอ้เรื่องเอามาโลกที่มันรุนแรงโยมเคยดูกระต่ายป่าไหมไม่เคยดูสารคดีกระต่ายป่าโยมชื่อไหมมันตบกันหน่าดูระหว่างตัวผู้กับตัวเมียตบกันหน้าตาแหกเลือดโชกเลยมันเหมือนคนกินกระท้อนอ่ะต้องทุบมันทุบกันมันตบกันมันตีกันโอหขนขนล่วมกระจายเลยนะแล้วก็มาจุบกันตอนท้ายแป๊บเดียวแต่ตบกันครึ่งชั่วโมง มีความสุขนาทีเดียวสารก็ดีสัตว์เนี่ยแต่มาชอบดูกันมันมีอะไรสอนเราเรียนรู้เยอะเลยพอคิดถึงตอนนี้แล้วออโชคดีนะเราไม่ต้องไปอาศัยพวกลูกลดกินเสียงสัมผัส ม, มันยอมไปมันนัดแปลกว่าธรรมชาติทำไมโหดร้ายอย่างนั้น รรทำมันชตาทาไมทำให้เขาแสบเผ็ดกันหนัดนั้นตนัวเก็จะสำเร็จความสุขชัว่วปุ๊บเดียวโอ้ oh, มันน่าอนิตอนาใจอ้าตอนนี้พ่อบอกว่าโลกุตละปัญญาเนี่ยมันเริ่มรู้เลยว่าที่ว่าเหตุของความทุกข์คืออยากพออยากขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทำตามอยากได้สมใจก็หายอยากเดี๋ยวเกิดอยากใหม่ คนที่มีปัญญารู้แจ้งแทงอริยสัจก็จะคิดแล้วกูจะทำไมต้องเป็นทาดความอยากซึ่งมันเป็นของที่ทารุณโหดร้ายแสบเผ็ดถ้ากระต่ายมันคิดได้มันจะต้องตอบกันขนาดนั้นไหมอุ้ยตัวผู้เนี่ยมันโดดตัวเมียถีบตบกัดจน ข, นขนขนมันหลุดกระจุยหมดแทบจะหัวโกรนเลยพอจะได้สุขทีหัวโกรนเออ มันแปลกนี่คือปัญญาของสัตว์มันไม่มีมันจะต้องทําเรื่องนี้ให้ได้ตามที่มันอยากตามธรรมชาติของความอยากแต่มันไม่สามารถที่จะหาตัวไหนมาเทียบว่าแล้วสุขกว่า น, นี้มีอีกไหมมันไม่มีทุกข์ที่สูงว่า น, นี้มีไหมประเสริฐกว่า น, นี้เหนื่อยน้อยกว่า น, นี้ลาบากน้อยกว่า น, นี้เจ็บปวดน้อยกว่า น, นี้เศเษฐ์น้อยว่า น, นี้มีไหมสัตว์ไม่มีสมองแต่ว่า มนุษย์โงโงๆก็เป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันมนุษย์โงๆก็เจ็บปวดในเรื่องความสุขทางกามอารมณ์เนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เราเห็นดาราสวยๆมันก็ร้องไห้น้ําตาหนองอยู่บ่อยๆเหมือนกันมันก็คงไม่ต่างกันกับตายเท่าไหร่นะถ้าพวกงโง่เนะพวกไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็เจ็บปวดเรื่องนี้น้อยมากหรูฉลาดวันนั้นเลยเป็นอาูมุปโลก รู้ฉลาดวันนั้นเห็นแจ้งในอริยสัจเห็นเขาลบบ้าหลงรูปกันเขามากินกามเกียดติกันแล้ว ก, ก็กัดกันแย่งกันทะเลาะกันแล้วเราก็มานั่งทบทวนตัวเราถ้าเราอยู่ในสภาพเขาเนี่ยเราโง่หรือฉลาดจะมีปัญญาพอไหมที่จะอยู่เหนือเรื่องนี้ถ้าเราเริ่มมีปัญญาเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเริ่มมีปัญญาขั้นโลกุตตะปัญญา ต่อมาไอ้โลกุตตรปัญญาเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรมันถึงจะเจริญงอกงามท่านเลยจำแนกประเภทที่สามเอามาช่วยเอามาช่วยเสริมอันนี้ท่านเรียกว่าสุตตมยปรรยัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเร่าเรียนภาคเพียนเรียนรู้ฝุกฝนทั้งด้านธรรมวินยัยทั้งด้านคำสอนที่มาจากพระไตรปิฎก ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําให้ตัวเองเห็นช่องทางที่จะเอาตัวรอดจากความตำ่ำจมเสื่อมทุกเนี่ยก็เริ่มถอนตัวออกมาจากการเรียนรู้ฟังอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านสั่งท่านแนะท่าน น, น, น, นาอย่างเรามาฟังฟังนี้เขาเรียกอะไรสุตตะมยะปัญญาคืออาศัยการเป็นคนที่ใยรู้ใย ฟ, ฟัง จะทำให้เกิดการคิดได้สักวันทึงจะต่อในปัญญาขคนจำแนกกันขั้นที่เลยไปถึงเจ็ดข้อสุดท้ายเนะ่ก็จะมีข้อต่อต่ อ, ต, อต่อไปตกลงว่าอย่างพวกเราเนี่ยยังไงก็ชอบฟังชอบศึกษาชอบเรียนรู้มาวัดเนี่ยมันไม่มีข้อไหนที่จะประเสริฐเท่ากับหนึ่งช่วยวัดพัฒนาวัดสองต้องใฝ่รู้ มาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อหาข้อมูลที่ทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นมันก็เป็นตรงกับข้อปรัโตโคสันแหละแต่อธิบายแยกย่อยออกมาอีกนิดหนึ่งว่าทั้งเรียนทั้งฟังทั้งฝึกทั้งปฏิบัติทั้งทดสอบทดลองกระทําประพฤติปฏิบัติจนเข้าใจได้บ้างจนเริ่มจะเป็นพวกที่ปัญญามากหรืออย่างน้อยก็แค่ปัญญาหน้าตัก ขนาะกินขนาชิมขนาฟังเหมือนกับชิมกินขนมอร่อยพอได้รู้รสรู้ชาติบ้างอย่างน้อยก็เฉียวเฉียวไว้บ้างนหะเริ่มจะเข้าใจเฉียวเฉียวเนี่ยต่อมาท่านเรียกว่าจินตามยะปัญญาอันนี้ปัญญาอันเกิดจากการนำเอาสิ่งที่ศึกษามาแล้วมาคิดพิจารณาดูเหตุดูผลตามความเป็นจริง เอาสิ่งที่ฟังวันนี้หรืออ่านจากอื่นสำนักอื่นจากวิทยุโทรทัศน์ยุวิตมาว่าน่ะใครฉลาดนะดูโทรทัศน์เออมีพระเก่งเดี๋ยวนี้ก็ไหลลูกนะเทศดีๆหลรูปมายังนึกชอบพันอะไรถอนผลอุาผลพร อ, อะไรเนี่ยดูดีโดยเฉพาะเรื่องธรรมะการทำงานเนี่ยมันใหญ่ดีมากจนนระทั่งอาตมาเริ่มเอามาใช้บงัง เวลาเราก็บรรยายไว้เยอะเหมือนกันแต่บางทีบางข้อเราเราไม่ได้มุมนี้พอได้ฟังท่านเราก็มาเติมอู้โยมก็เริ่มเข้าใจง่ายขึ้นนี่มันอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ในแง่ของเราเริ่มคิดเริ่มเอาสิ่งที่เราฟังมาผนวกกับสิ่งที่เราบรรยายด้วยนะามาได้เปรียบโยมอย่างฟังแล้วเอามาทดลองมาใช้มาบรรยายผู้บรรยายโยมเข้าใจเราก็กําลังใจก็เกิด แล้วก็เดี๋ยวท่านฟังองค์อื่นมีอะไ ร, ประแปลกแปลกย่อยมก็อย่ามาติดวังพระพยายามองค์เดียวนะไปวัดไหนได้ก็เอาอคโหไปเอามาหลวงพ่อชานี่ท่านเป็นพระน่านับถือท่านจริงๆเวลาลูกศิษย์บอกพ่อผมจะไปหาหลวงพ่อพุทธทาสผมจะไปหาพระพรหมกุณาภรณ์อยากไปหาหนังสือท่านอ่านอยากจะไปเรียนข้อวัดปฏิปทาท่านท่านพูดยังไงรู้ไหม ไปเธอได้อะไรดีๆก็ามาบอกฉันมั่งมาบอกเรามาั่งท่านเป็นพระที่ไม่ใช่ห่วงลูกศิษย์จะไปเป็นลูกศิษย์สำนักนู้นสำนักนี้ให้ห่วงท่านจึงเป็นพระที่น่าเคารพมีคนเคารพมากหลวงพ่อชาเนี่เอาตอนนี้ต่อมาไอการเอามาพิจารณาดูเหตุดูผลที่ท่านสอนที่ท่านเตือนเนี่ย มันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจเกิดควา ม, ข, าวามขยบสติปัญญาสูงขึ้นมาด้วยเหตุด้วยผลด้วยการเทียบเคียงอย่างลึกนึ ก, นกตรองมองแล้วเห็นเลยเป็นจุวเป็นฉากเมื่อก่อนนี้มืดแปดด้านเดี๋ยวนี้เริ่มจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์วัฏศาสนาเนี่ยมิจุดเด่นตรงไหนเมื่อก่อนนี้แค่ทำพิธีใส่บาตรถว้กรถินปลปาไม่เคยเขยบไปสติปัญญาให้มันสูงขึ้นมา ไม่เคยเอามาพิจารณาใครควรดูเหตุดูผลดูความจริงมันปรากฏใครควรอย่างเดียวไม่พอนะเอามาทดลองทดสอบดูทีเนี่อยอย่างที่บอกว่าเราแกล้งเป็นพระอาหารหันต์กันเราไม่เป็นหรอกแต่เราแกล้งเป็นน่ะเราแกล้งไปแกล้งมาแล้วนึกเอ๊อังดีกว่าเมื่อตอนไม่ได้แกล้งตอนก่อนเราถูกกิเลสแกล้งข้างเดียวพอเราแกล้งเป็นพระอาหารหันต์นี่ถ้าเกิเราแป้งกิเลสมันบ้างโอ้ พอได้รับสัมผัสรสชาติดีๆเข้าโอ้โหเมื่อก่อนกูได้แต่ใส่บาตรทอดกะถินปา้ปาป่ามาทีไยก็บริจาคตะพืชก็หลวงพ่อพุทธทาทันเปรียบว่าเหมือนคนเลี้ยงไก่อ่ะอาหารในไก่แต่ไม่ได้กินไข่ไก่เลยเก็บขี้ไก่กินไปวันๆโอบําลงศาสนาหมดไปตังบานแต่ไม่ได้ของดีจากศาสนาเลย เลี้ยงอาหารไก่หมดเวลาไปกับไก่ตั้งบานแต่ไม่ได้กินไข่ไก่เอออย่างนี้มันก็เริ่มจะยกแหละไอตัวโลกุตระปัญญานี่มันต้องอาศัยสองตัวนี้เสริมเข้าไปมันถึงปัญญาจะสูงขึ้นไม่งั้นก็เป็นปัญญาต่ำๆเป็นโลกิยะปัญญาอยู่เหมือนเดิมต่อมาก็คือภาวนามายปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเช่นเราเริ่มมาทําไอ้ความสงบให้กับเราถ้าเราเริ่มรู้สึกไปความสงบนี่มันดีกว่าไปวุ่นวายหาเรื่องห า, ห, หานู่นหานี่มากมายแค่หาลมหายใจมาเล่นมาหายใจดูเออแล้วก็กําหนดรู้ดูดึงลมหายใจเข้าลึกๆมันเป็นยังไงปล่อยลมหายใจออกยาวๆเป็นยังไง พอทําไปทํามาพอลูกต่อไปถึงขั้นว่าชีวิตทั้งชีวิตอยู่ได้แค่ลมหายใจไอ้ที่มี ม, มีเป็น เ, นเนกันเนี่ยก็มีได้แค่ลมหายใจเท่านั้นเองเสื้อสวยกระเป๋าสวยบ้านใหญ่หลวงรับสิงคานเบิกบ้านตําแหน่งยศหมดลมหายใจเมื่อไหร่หายใจเข้าแล้วไม่ออกเมื่อไหร่ของพวกนั้นมีไหมไม่มีไปของใครตัวใครต่อไปเนี่ยรถชนตายเนี่ย แย่งกัจะตายกระเป๋าตรงตังมันบอกมันบอกมันไม่หายใจแล้วมันยังไปเอามือแตะตรงจมูกนะอ๋อมึงไม่หายใจแล้วว่าเอาและเอ็งไม่ยอมมันก็ทำให้เราขยับปัญญาเข้ามาหากับเราหายใจก็จะฉลาดเรื่องตายเรื่องรู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายเหมือนก่อนเมื่อก่อนโง่บันเลยเลย มีอะไรอะไรก็จะบอกกูของกูบทความตรงนั้นหลวงปู่เทศมาบพงอ่านมาตะกี้เนี่ยก่อนจะมาเทศนี่คนทั่วไปก็ ช, ชอบพูดว่าไอ้นั่นก็ของกูนี่ของกูสิ่งที่เรามีทั้งหลายมันไม่ได้เป็นของเราจริงตามที่เรายึดมัน่นท่านพูดอะไรเงี้ยสันส้นๆสิ่งที่เรามั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นของเราของเราของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ มันก็เป็นของมันนะเนี่ยตัวของมันอยู่ของมันแบบนั้นแต่เราก็ดันเข้าโง่เขาไปยึดไปแบกไปรัดไปมัดไปผูกจิตผูกใจมันหมายเสียเกินไปแล้วก็จะลำบากใจกับสิ่งที่เราลึกว่าเป็นของเรานี่ก็เรียกว่าก้าวเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเริ่มเห็นของที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยพอเราเริ่มทำกรรมฐาน เริ่มใจสงบแล้วเริ่มยกจิตพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสิ่งต่างๆการบังคับบัญชาไม่ได้ตามที่เราต้องการอะไรเราบังคับไม่ได้มันจะไปเป็นอะไรของเราอ่ะนะโยมชีวิตเนี่ยถ้าเราลองบังคับไม่ได้ไม่มีสติบังคับรู้ว่าอันนี้ไม่ควร น, นี้กวรขอภัยนายโยมผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นวันนี้ดูข่าวไหม ดูข่าวไหมผู้หญิงก็ไปกินเหล้ากันกินเลี้ยงแล้ว ก, ก็เมาขารถนะนะพอเขาตื่นตัวขึ้นมาเขาก็ตกใจขับรถขับรถเขานึกว่าเขาจะออกตรงไหนดันเสือกขับรถย้อนศรแล้วก็ทนกับแท็กซี่ยับเยินเล ย, เลยแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมแปลกเป็นคนเดียวนี้ไม่หลีกทางให้เขาเลยมันวิย้อนเข้ามายัะมีหน้าให้เขาหลีกอีกเนี่ยเมา โอ้ตำรวจตอนนี้น่าปวดหัวนะโยมจะให้มันเป่ามันก็ไม่เป่าไม่เมานี่ทีมทําเนี่ยแกงเมาโอ้เถียงก็ น, น่าดูเลยตำรวจปวดหัวที่เนี่ยไอ้คนที่มันไม่มีปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันไม่มีคําว่าใครครวรดูเลยขนาดสติบังคับได้ดันไปทําลายมันจะบังคับอะไรได้สติมันก็ไม่ใช่ของเรานะ มันเป็นของมันนั่นแหละแต่ถ้าเราทํามันดีมันก็จะมาอยู่กับเราถ้าทําไม่ดีมันก็ไปหรือมันเอาเล้าเข้ามาเอาน้ำผ่านสติเข้ามามันก็ไปแต่ถ้าเราประคับประคองฝึกฝนมันดีมันอยู่กับเราแต่ไม่ใช่ของเราฟังถูกไหมเนี่ยมันไม่อยู่กับเราแต่มันไม่ใช่ของอคนที่นั่งข้างๆโยมเนี่ยสองคนเนี่ยใช่ของเราไหมเพียงแต่เราปฏิบัติดีเขาก็เลยมาอยู่กับเราแต่ถ้าเราเมาเช้าเมาเย็นดิเขาไปไหม เอไป ใ, ใจอย่างนี้เข้าใจง่ายโยมฟังไม่กี่เที่ยวเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่บางครั้งเราเนีฐยทําดีกับมันมันก็เลยมาอยู่กับมั น, นเป็นของมันแหะแต่มันมาอยู่กับเราเพราะเราทําถูกใจมันแต่ถ้าเราทําไม่ถูก่เอาน้าเมามาเอาน้าพรานสติมาสติบอกมึงมึงอยู่ของมึงมึงอยู่ของมือไอ้ น, นี่ก็ขับรถชนม่วงหมดขนาดมีมันยังไม่ค่อยจะรอดเลย นีอ่อนๆก็แย่นี่ดัรรงทำสมดสภาพอะไรบอกว่าผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงจะลองเล่าปีใหม่เนี่ยเขาก็าหมดหลายล้านนะเฉพาะผู้หญิงนะนักข่าวก็วิเคราะห์เนี่ยไม่มีเยอะเลยผู้หญิงไปกินเหล้าฉลองกันเยอะสงสัยแกไม่เคยฟังคําว่าสตรีเตสังนิวาระนังสติเป็นเหมือนทําน็อกกั้นกระแสบาปให้เราสตรีดับบุตร เมื่อไปพังทำนกโดยการดื่มน้ำผ่านสติทำนกพังแล้วน้ำมันก็บาบน้ำบาบน้ำคำน้ำเวนมันก็ไหลท่วมชีวิตไปชนแท็กซี่เขายับ เ, เยินหมดเลยเนแล้วยังมีนาไปบอกไม่ยอมลบใครก็มันวิ่งย้อนสอนมันมีบ อ, อกให้เขาลบไปดิคนทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดนี่โง่หลายชาติ พุทธเจ้าตรัสว่าคนทำผิดแล้วยอมรับผิดปรับปรุงแก้ไขมีโอกาสฉลาดได้มีโอกาสมีปัญญาได้ยายคนนี้จะโง่ไหลาชาติแหว้ผมแดงนะะยังก็แม่มฝรั่งแต่สมองไทยปนเหลา <c oughs> อ้านี่มันอนาจใจเนา ะ, อะเออต่ข้อที่หกปัญญา จำแนกเป็นตัวที่หกนี่คือกรรมมักตาปัญญาคือปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อคืนทตะมาไปเทศลูกชายก็ถูกแทงตายเขาบอกเนี่ยมันคงมีกรรมมักตาปัญญาถ้าเราเข้าใจเทคนิดนะที่เขาต้องตายอายุอย่างน้อยอายุสิบเก้าย่างจะยี่สิบต้งเตรียมตัวแม่แต้เตรียมตัวจะบวชให้เดือนเมษา กคามาต้องมาเผาศพลูกชายต้มีคนเดียวด้วยเ็าไปกินเหล้ากันแล้วก็ขับรถบึนบึนบึนใส่วงเหล้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็จะตามไปปรับความเข้าใจโอ้หคนกำลังอารมณ์เสียเนี่ยมันทำไมจะไปปรับความเข้าใจเมื่อเมื่อตอนตีหนึ่ง้ามาลองไปเดินดูหน้าวัดก็เห็นผัวเมียก็ทะเลาะกันไอ้ผัวขับแท็กซี่เมียก็ดั่งมาดีดี อยูอยูก็ลงจากรถกูไม่ไปกับมึงแล้วเด๋เรียกรถคันใหม่ผัว ก, ก็บอกเฮียก็เอาไอ้กระเป๋าอะไรต่ออะไรเนี่ยฟาดรถบังมาอยู่ฟังนี้ได้ยินดังถนัดเลยแล้สักพักหนึ่งก็ะจกแตกไอ้ผัวน้าก็งีเงาเมียฟาดครั้งแรกก็น่าจะไปแล้วเสือกฟาดครั้งสี่ถึงจะออกแตกแล้วถึงได้ไปบัญญาตอ่อนทั้งคู่เลย่นี่ โอ้แล้วโยมมันเป็นอะไรกันนะปีใหม่ทำไมมันต้องออกไปกินไปเที่ยวไปเล่นแล้วก็มีเรื่องมีราวโดนลูกหลงลูกหลงอะไรกันทําไมไม่หลับไม่นอนพักฟื้นว่าเดี๋ยวขึ้นปีใหม่จะต้องทํางานให้เต็นทีนะ่มังทําไมแปลกประหลาดจะมาว่านะวันปีใหม่คือวันทําลายทรัพย์สินสติปัญญาและชีวิตยังมหาศาลเลยเนี่ย พ่อพุท ธ, ธาบอกการทํางานคือการประพฤติ ธ, ธรรมพอหยุดทํางานกินเที่ยวเล่นคือประพฤติอัธรรมมันก็เลยไปหัวตายกันไปพวกเราก็ยังมาประพฤติ ธ, ธรรมมาฟังมาศึกษาให้หูให้ตามันได้รับรู้รับฟังอายุป่านป่านนี้กันแล้วโยอมว่าปีหน้าจะมีเป้าหมายไปสัมผัสหนาวที่ไหนไหมไปสัมผัสหนาวไปเจอหนาวแในจุดไฟพิงไหมบางคนเตรียมไปนะ จะไปสัมผัสหนาวเตรียมเตาอังโลไปด้วยอันคิดยังไงของมันจากหนาวแต่กลัวหนาวต้งของอุ่นไปด้วยเอบางคนเอาชิเตอร์ไปด้วยไปติดใส่กระจมแคมป์อะไรนั้นก็เสียถ้าก็เสียไอคนนี้มันถูกกําหนดวันเดือนปีให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วคนก็กระเพื่อมไป อะไรที่เข้ามาไม่นานกับเพิ่มเร็วเนี่ยอย่างวาเลนไทน์อย่างคริสต์มาสมันไม่ได้มาอยู่ในประเทศเราแล้วตั้งเมื่อพันปีห้ารอยปีไมไ่มีเลยตอนนั้นมาเด็กๆไม่มีนะไอ้มันสี่สิบปีเนี่ยไม่มีหรอกไอวาเลนไทน์เนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าวันเนี้ยมันจะต้องใจแตกมันจะต้องเสียผู้เสียคนเสียเนื้อเสียตัวมันจะต้องไปมั่วกันทะเป็นครับตายอะไร ยอมคนพวกนี้ก็ถึงถือว่ากรรมของเขาคนทําเขาตายก็ต้องจ่ายค่าสู้คดีต้องหนีหัวซุกหัวซุนฝ่ายตาญาติก็ต้องเสียสทรัพย์เผากันตกลงมนุษย์มันเกิดมาเพื่ออะไรของมันม่นเกิดมาเพื่อฟัดเพื่อกัดเพื่อฆ่าเพื่อล้างเพื่อทาลายถ้าฝ่ายนี้แค้นเอาคืนอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่พุทธเจ้าถึงบอกเวรย่อมระ ง, งับ อ, อย่า ก, ก่อเวรก่อกรรมเราจึงได้พยายามแผ่เมตตาว่าอย่าได้มีเวรซึ่งกันและเนี่ยให้มีปัญญารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนที่เด็ดก่อกันไว้แต่บางคนเนี่ยไม่รู้กรรมที่ลึกซึ้งคนที่ฆ่าเขาเนี่ยนะมันจะมีกรรมปรุงแต่งให้มันสาดิโดโหดไร้ใจดำอำมิด แปลกนะไอ้คนที่มันติดกุกเนี่ยคดีฆ่าร้อยศพเนี่ยพอฆ่าแล้วมันจะมีอารมณ์แต่จะฆ่าง่ายขึ้นยังไม่อยู่แล้วพอมันไปสักห้าศพสบิสบศพเนี่ยจะยังไม่อยู่แหละจะไหลเป็นร้อยศพจนครบขมือฆ่าร้อยศพเนี่ยเร า, เาไงยายผ่านศพแรกยกถ้าศพแรกผ่านได้เดี๋ยวมันไปฉลุยแม่แต่ครอบครัวห้าศพน้งหน้าสมเด็จนะ แฟนคอตีละศพระสบอย่างนี้คิดใจมนุษย์พวกนี้เขาคงทำกรรมกันมาก็าคงตายหมู่ตายร่วมไปร่วมกันทำใครต่อใครให้ตายหมู่ตายร่วมมาไหลเที่ยวไหลพบไหลาชาติมาชาตินี้ก็เลยได้รับผลวิบากกรรมนั้นต้องมาตายพร้อมกันร่วมกันแบบหน้าทุ้มเล็บเปรตเวทนาเลยเขาก็มีเคยบอกเล่าเรื่องนะมันมีสัตว์อยู่ในโพรงเนี่ยหลายตัว มันเจาะไฟไปจุดต่อมาก็ไฟครอกตายไหลพบไหลาชาติเนี่ยให้มีสติปัญญารู้ว่าถ้าลูกหลานเราตายเร็วก็เขาก็คงทําใครตายมาเร็วๆมาเยอะเนี่ยมาชาตินี้เขาก็อายุไอ้แค่นี้ถ้าคนมีปัญญาคิดอย่างนี้ก็ไม่ต่อเวรต่อไม่ต้องไปเพิ่มไปเอาคืนเพราะเขาคืนกันในตัวของเขาแล้วเราไม่ต้องไปเอาคืนมาเป็นของเราแล้วก็ต่อช่วยเขา ไม่ไหวสุดท้ายและ ว, วิปัสนาปัญญาคือปัญญาที่รู้รูปนามขนาันธ์หน้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าทำวิปัสนาถึงขั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้ก็ไม่ชะเจตพูดสิ่งที่ออกมารับลูทางหูทางตา ยัเห็นกำมือไหมอะไรออกมาเห็นถ้าบอกว่าตาออกมาเห็นในขาดองค์ประกอบมันมีจักษุวิญญาณออกไปเห็นเพราะตาคนตายจักษุวิญญาณมันหมดมันออกมาเห็นไม่ได้แหละไปถามตาคนตายว่าเห็นไหมไม่เห็นเอารูปสวยไปให้ตาคนตายดูเอารูปไม่สวยน่าเกลียดคนที่มันเคยเกลียดไปให้มันดูที่มันกดมันก็ตาดูเฉยเพราะ จักสุวิญญาณมันไม่มีคนตายเนี่ยโสตะวิญญาณพูดข้างหูดามันก็ไปชมมันก็เพราะโสตะวิญญาณทางหูมันดับแล้วเนี่ยเราก็พยายามดูว่าเสียงที่มากระทบหูมันก็ของเกิดดับถ้ารู้ถึงขั้นว่าเกิดดับมันยังผัวเมียกูนั้นอะ่ะไอ้ผัวนี่เคยเป็นอยู่เป็นลูกศิษย์ลุงปู่อาจารย์วิปัสนาต่อมาได้เมียปากจับบรรเลย ด่าไฟเล็บจนมันนอนด้วยไม่ได้รบไปนอนกับหลวงปู่อาจารย์เก่าที่วัดหลวงปู่บอกเฮ้ยได้ลูกได้เมียแล้วทำไมไม่นอนกับลูกกับเมียนอนไม่ไหวหลวงปู่ดา่าอะไรไว้วอดเลยหลวงปู่บอกว่ากูนึกว่าอยู่กับกูหลายปีจะฉลาด น, น, านี่มึงโม่ฟังเมียมึงด่าไม่ถูกเลยหลวูบอกโทรหลวงปู่มันเอาหน้าผมเปรียบอยังงั้นยังนี้ทําทไมผมจะฟังไม่ถูกหลงปู่บอก มึงดีโมเอาหน้าไปรับมันทำไมหน้ามึงก็ไม่ได้เหมือนพันนั้นนะทั้งๆถามแล้ฟังยังไงหลวงปู่ถึงจะได้ฟังรู้ฟังถูกฟังเข้าใจฟังอย่างมีปัญญามึงก็ฟังให้มันเกิดดับเกิดดับมึงลองไปดูเวลาเมียมึงอ้าปากดา่ามึงอเสียงก็เกิดพอหุบ ป, ปากเสียงมันก็ดับมึงลองไปดูมันก็เลยกลับกลับมาถึงเมียบุกแค้นดิ คอยต้งดึกดื่นขนาดมาว่าค่ํำยังโดนด่านี่มาดึกก็เปิดวระตูก็พับปับมันก็จ้องที่ปากก็ดับก็ดับก็ดับแทงอยู่นั่ะกดับก็ดับเมย์ก็บอกอีบ้าวันนี้มึงเป็นอะไรมึงไม่เข้าใจกูด่าเลยเนี่ยฮะแต่ัวบอกกูเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจยังไงมึงเข้าใจแล้วมึงทําไมถึงไม่มีอะไรอาการมือนทุกวันเราฟื้นฟัดฟื้นก็ไม่มี ก็เพระกูเข้าใจอะทีกูถึงไม่ฟุดฟัดกับท่านเข้าใจยังไงก็หลงปู่บอกกูว่ามึงเอาปากเสียงก็เกิดมึงเอาปากเสียงก็ดักกูกำลังบริกรรมอยู่เนี่ยแม่มึงอด่าต่อเท่านั้นแหละเมียบอกมึงสอนกูมั่งสิสองคนเลยงั่งซ้ากรรมฐานพิจารณาลูปรถกินเวทนาสัญญาสังขารเป็นของเกิดดับตั้งกันนั่งเรานี่อยู่กันสบาย ฉลาดทั้งคู่มาก่อนโง่ทั้งคู่คนมีปัญญาอยู่คลองเรือนก็ฉลาดได้อยู่เป็นสุขได้แต่คนโง่อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ได้อยู่ในวัดก็จะยึดมั่นโน่นนี่เป็นของกูตะพุกก็ลําบากเอาละถ้าพิจาราจนกระทั่งไม่เห็นอะไรน่า ย, ยึดเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะเบากว่ากันจะเรื่องลดน้อยลง ไอ้ที่เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากูไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวกูควรจะได้นันกูก็ไม่ได้กูจะได้นูนกูก็ไม่ได้มันก็เลยมานั่งปั่นป่นปวนกวนทุกข์กันอยู่เนี้ยนั่นแหละคือความโง่ที่ไม่อยู่ในปัญญาเจ็ดประเภทนี้โดยเฉพาะประเภทสุดท้ายถือว่าเป็นปัญญาชั้นเยี่ยมวิปัสสนาปัญญาเขาถึงบอกว่า ถ้าเรายิ่งเจริญอนิจจสัญญายิ่งรู้ความไม่เที่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยบุญใดๆในโลกนี้ที่ทําเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้น่าคิดไหมเอาท่านไปเลี้ยงด้วยพระสงฆ์ด้วยเจดทิศทําไปเยอะสิบกครั้งยังไม่เท่ากับเจริญอนิจจสัญญาเพียงครั้งเดียวถ้าเจริญนิจาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกปล่อยวางจางขายไม่ยึดไม่ถือมันก็เป็นบุญที่สุดเลยเพราะใจมันสบาย ใจไม่แบกไม่ยึดไม่ถือลอยได้เบาได้สบายได้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะไม่ต้องทำเงินให้หลวงปู่ของมีเงินตั้งห้าพันล้านพวกนี้เขาไปทำบุญกับท่านด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะท่านขังท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องให้ของขังมาคุ้มของเราอันนี้มันทำเป็นตัวเราหมดอะถ้ามันไม่มีตัวเรามันมีปัญญามันไม่ง้อไปทุ่มอย่างนั้น เรานี่มีตุ่มยี่สิบลูกตั้งอยู่ตักน้ำเต็มแล้วตุ่มหนึ่งใครจะไปง้อใส่ตุ่มร้นแล้วร้นอีกแลต้องไปใส่ตุ่มที่ไม่หลวงปู่องเดียวสัตย์ก็ไปได้5้าพันเนี่ยเจ้าประเทศชาติไม่พังเงินไปตายอยู่แล้วแต่บนที่สุดเป็นไงลูกหลานญาติกับกรรมการวัดทะเลาะกันขึ้นลงขึ้นศาลกันก็เป็นคว า, ามโง่ของชาวพุทธเราเอง เพราคัญว่าถ้ากูทํากับท่านกูจะได้บุญมากกูจะมีสิริมงคลกูจะได้พรสูงสุดแต่พุทธเจ้าตรัสว่าบุญสูงสุดพรสูงสุดอยู่ที่เจริญ น, นิจสัญญาเจริญเมตตาเมตตาเนี่ยดีกว่าพุทธเจ้านั่งฉันเข้าเอางี้ยอมยอมทําจิตให้มีเมตตาก็รยอมได้ทําบุญกับพุทธเจ้าเนี่ยอมว่าไหนดีกว่ากันใช่ ได้ตามุลกับพระเจ้าอย่างโหดเลยเนี่ยเทวทัตนะี่ยแกก็อยู่กับพระเจ้าแต่ทํำไมแกโหดไง น, นะปล่อยช้างชนพระเจ้าเนี่ยแกทําำามแยงง่งไงนะได้อยู่กับพระเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นยมอย่าไปเชื่อหลงปู่หลงตาอะไรที่วิเศษวิโสโอโหคเมื่อคืนเนี่ยเขาลำดับความเสียหายของพระของศาสนาเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่ง ทำชักสายอะไรก็ไม่รู้ได้เงินตังยุแต่แล้วไปอยู่กับศีก้าไปต่างประเทศแล้วเงินเนี่ยเหลือที่วัดเนี่ยติดเดียทั้งทั้งที่โอโหจหน่ายเครื่องลังของของัขงไปบานเลยนี่เพราะไม่มีปัญญาใช้เหตุใช้ผลจึงเชื่องม ง, งายปัญญาเนี่ยมันจะตัวประกอบกับศรัทธาถ้าศรัทธาไม่มีปัญญาเนี่ยศรัทธาโดดโดล้วนๆเข้าล็กเข้าพงงมงายลงหลงไหลไปเลย แต่ถ้าพอปัญญามันไปเคลียให้เฮ้ยใช่ค่ะมันใช่เลยเนี่ยเที่ยของวัตถุอันเนี้ยที่หลวงปู่หลวงพ่อเสกมาเนี่ยเราไม่ได้ดูต้นตํานานพวกนี้ก่อนยันตราอะไรพวกนี้เราไม่ดูพวกนี้ก็เป็นแลงศักดิ์สิทธิ์ขังมาทั้งนั้นแหละแล้วก็พังเรามาสังเกตดูนะไปแนวขังแนวงมงายเนี่ยแล้วไปสะสมซัพ์ไปไม่หลอดต่างกับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณเนี่ย ท่าไม่เก็บได้มาท่านให้หมดยอมผู้หญิงไปทําบุญยมผู้ชายไปทําบุญห้ารอยท่านเอาไว้สองร้อยมึงไปสามรูกลุงบอทําไมไม่เอาลูไปหมดมึงใช้มากกว่ากูลูกมึงก็ต้องใช้พ่อมึมกอง ก, นะมม ก, มมก็ต้องใช้เมียมึงก็ต้องใช้กูนั้ไม่มีลูกมีเมียต้องใช้เลยสองรอยกูว่ากูก็มากแล้วออแต่หลวงปู่หงทําไมไม่คิดอย่างนี้เออทําไมคิดเก็บไม่ได้ตั้งห้าพันล้าน ได้ยังไงแล้วยมทําไมไปเติมใส่ก็ไม่ได้ลืมหูลืมตาจนกระทั่งเป็นปนัญหาญาติกับกรรมการวัดต้องซัดกันนัวนโอ้แล้วก็วัดโสธรวัดอะไรเมื่อคืนนี้ก็เอามาหมดเน่ยยิงกันในวัดเลยนะมหมายว่าปสสาเนี่ยยิงกันในวัดเลยวงพโสธร ห, ห้ามไม่อยู่ห้าไม่ทันนั่งนานไปเออลุกไม่ทัน ท่านนั่งท่าหลวงพ่อคุณอาจจะลุกทันนั้นนั่งเขาบอกหลวงพ่อคุณเนี่ยนั่งท่านักรบในสนามสงครามคือเขาย้ายคนหนีสงครามนี่นะจะไปนั่งรับเแลยบเรียบร้อยไม่ได้ลุกไม่ทันต้องนั่งแบบนั้นแหละพอ้าศึกมาพึ๊บไปเลยไปเลยเดี๋ยวเข้า มัหาของคลังศักดิ์สิทธิ์ทนามยั ง, งมองชาวบ้านเนี่ยสติปัญญาลหลงไหลได้พวกวัตถุเนี่ยพวกรูประโลกมาหารูปยงงางนั้นของดีอย่างงี้โยมเนมาขอขายของดีบอกกับฉะนั้นหน้าหัวขายไม่ออกต้องเยอะผลไม้เยอะๆ <c oughs> ต้องมาแจกโยมไปบิ้งบาบต้องแจกน่ะนี่โยมจะมาเอาของดีอะไรอ่ะ ถ้าฉันมีของดีฉันไปหากระทรวงพาณิชย์แหละไปทำให้เป่าให้เขาส่งนอกออกอยุ่เศรษฐกิจจะได้ดีก็คิดเรื่องเหตุผลไม่มีสติปัญญาเหตุผลไม่มีก็จมอยู่ในความเชื่ อ, อยังงมงายไปเนี่ยเพราะนั้นพวกเรายังไงก็ต้องทำให้สติปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบชนิดที่ทำให้เรา ไม่ทําเหตุของความทุกข์ให้ก่อขึ้น่อกัดเราเองและคนอื่นจะเกี่ยวข้องกับศาสนาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีต่อไปนี้อย่าไปทําแบบที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยคนเหนือก็ทากับคนเหนือนทําไปคนกลางคนจะมีสติปัญญาอย่าไปรับส่วนที่มันเป็นเหตุของความไม่เผาเดือดร้อนทุกข์ทำไมเรามีสิทธิ์ใครควรไม่เอาแบบไหนก็ได้เคาจะมาบังคับข่มคืนอะไรเรา นอกจากเราไปพอใจเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราก็เชื่อเชื่อว่าเออเขาทำอย่างนั้นดีถ้าภาคเหนือดีนะแผ่นดินจะไหวต้องเสกทําพิธีกันฉลอกเคราะร้อยไปแล้วแต่ดินพังแตกบ้านล้าวเชียงรายอเนะทําไมเขไม่ทําอะอยากคนหาแต่พุท ธ, ธ, ธพิ ธ, ธีพุทธอ่อนวอนต้องพุท ธ, ธวิธี วิธีอะไรที่เราโดนบ้านพังแผ่นดินไหวไฟไม่น้ําท่วมแล้วเราไม่ทุกข์ก่อนตายเอาเถะมันจะโดนก็โดนเนี่ยแต่ว่าเราไม่ทุกข์ก่อนตายเราจะได้ตายแบบฉลาดแบบดีอฉลาดตอนตายก็ยังดีเดี๋ยฉลาดเสร็จตายเนี่ยดีกว่าตายข้างโง่เนี่ยมันก็ติดสันดานไปงโง่ชาตินาอีเออทุกข์นั่นแหละคือความโง่ที่สุดใครที่เกิดมาชอบทุกข์ง่าย อย่างที่บอกแล้วว่าความน่าอายที่สุดของชาวพุทธก็คือชาวพุทธที่ยังทุกข์ง่ายเชื่ออะไรไปแล้วก็ยังทุกข์ทำอะไรไปแล้วก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ต้องขอฉายซ้ําว่าจนหน้าตาขี้เละเลียนตำทุกความทุกข์กอบงําอายตัวเนี้ยทุท้ายจนก็ไม่ร้องง่ายก็มียังขอทานร้องเพลงทั้งวัดเศรษจทีเนี่ย โตชิตันอะไรเนี่ยนางสารแกต้องไปเก็บเกลือกลั <c oughs> วจะไม่หมดเสถีหอมไปแซะตือเองกอทานร้องเพลงทั้งวันนี่สวยในีดูวงการพวกสวยๆโศกเศร้าปัญหามากกว่าพวกเราเยอะแ้วก็ไม่ค่อยมีปัญญาด้วยนะให้สัมภาษณ์อนนาทุเรศ พวกสวยเนี่ยจะหยุดร้องตั้หน่อยแก็พูดก็ได้เสื้อพูดผลร้องร้องบนพูดมันจะหยุดร้องสักเดียวไม่ได้เลยแล้วก็พูดให้มันจบแถลงข่าวให้มันจบอยากไปร้องที่หลังสามวันสามคืนก็ไปร้องมันเสียเวลากล้องเขาจับเขาอยากจะได้ประเด็นใครเป็นมือที่สามใครทําให้เตียงหัดใครแน่พูดไปร้องไปสวยสัเปล่า สมองไม่มีหน้าสวยแต่สมองไม่มีกระแกนนั้นทุกไปเรียนเก่งเรียนสูงทุกเยอะแยะเรียนไม่มากแต่เรียนรู้วิปัสนาปัญญาบ้างเรียนรู้ความไม่เที่ยงตอนนี้มันไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดถือได้หรอกเนี่ยใครว่าประชาธิปไตยดีตอนนี้พวกนั้นก็ทุกมันรอเวลาเมื่อไรจะได้เลือกตั้ง แต่คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่พอใจเรื่องพันนี้ว่าจะลดแมพก็จะเลือกทะเลือเล่อนเลื่อนเลือกตั้งสักสองเดือนสามเดือนมก็จะทูกตายอะไรพวกวนะัก้นอ่ะบอกด็อกเตอร์ที่ลงล ง, ลงเตรียมจะสมัครถ้าบอกว่าให้หมอดูก็ประหลาดหมอดูนะท่า น, นพูดว่าจะอยู่สามปีโอ้โไอพวกนั้นอยากจะลงตำแหน่งแค่พลเอกเปรมพูดว่า ขอให้นายกวรหยุดอยู่นานๆเนให้พวกไม่ชอบฝ่ายตรงข้ามก็ดิ้นแล้วหาว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดไม่ถนอมน้ำใจฝ่ายอยากเป็นบ้าง <c oughs> ไอ้พูะไรากาลังใจพวกเป็นแล้วอตอนนี้พูดอยากใครเป็นอะไรมาวันมาเองเ็เทศอยากลำบากขึ้นทุกวันเศษต่อะไรก็โดนฟิดเทษตรงูก็โดนฟิดเกษตรยังก็วางเขาพาย แค่กระดิกหน่อยกระโดนแล้วนี่นตกลงว่าที่มาของปัญญาอย่าลืมนะมีหูมีตาคอยมีไว้เพื่อการศึกษายอมเสียเวลามาฟังวันนี้สักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยกับเราเสียเวลาถูกฉกเวลาทั้งหูทั้งตาเราไปดูหนังฟังเพลงกึนเรลงตั้งเยอะแยะทำไมเราจะเสียเวลาเรื่องนี้เพื่อได้ปัญญากันสักนิดไม่ได้ ถ้ายังไงก็เดือนหน้ามาแค่นี้ก็พอมีกำลังใจเทศแล้วโยมแต่มาน้อยกว่า น, นี้ก็ใจแป้วไม่อยากค้นหาอะไรมา น, นะเออถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญามันไม่ได้เกิดลอยๆอยมันต้องมีการปฏิบัติมันต้องมีการกระทำที่จะทำให้มันเกิด ยมมีส่วนที่กระทาให้มันเกิดไมเนี่ยดิมากันเนี่ยมีส่วนไหมนี่ยไม่มาพระบ้าอย่ไปเทกับต้นไม้จริงไหมยอมพอยมอยู่ก็เออก็สนใจเนาะยมก็สนใจเดี๋ยวเที่ยวนาหาใหม่ข้อมูลอะไรอีกที่เกี่ยวกับปัญญาอัญญามัญญปัจโยเรายังกันและกันให้เกิดขึ้นอัญญามัญญปัจโยยังกันและกันให้ออกจากซอมโง่ อัญญามัญญะปัจจโ ย, นยในฝ่ายที่เป็นทางอย่างกันให้เกิดปัญญาช่วยกันจัดความโง่ไปช่วยส่งเสริมให้ปัญญาเกิดขึ้นมาแต่โยไม่มาเลยฟังก็ฟังหลับอีกอหม้อฟังเป็นเท่าเอเราจะตักน้ําใส่ก็แต่ยังดียังดีเพราะไม่มีหม้อสักลูกก็เห็นไม่มีหม้อสักลูกก็เห็นจะนึกมีอารมณ์ตักน้ําไม่โยอยากจะตักข้อมูลอะไรมาเติมไหม ขอบใจหมอบฟัมมังหงายมังคือนึกเอาแล้วกันเนาะวันวันนี้คงมีหงายมาบ้า <c> ง <oughs> แล้วที่ฟังเฉพาะหน้าตักแล้วไปรลุดหน้าวัดไม่เป็นไรแค่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงปฏิบัติให้ปัญญาเกิดโดยเฉพาะการมีวัฒนธรรมไฟรู้ สนับสนุนให้เกิดการฟังการสอนการอบรมบ่มเพาะให้ปัญญาเกิดจงส่งผลให้ทุกคนไม่โง่กว่าปีเกา่าฉลาดขึ้นทุกปีจนไม่มีอะไรมาหลงไหลมาครอบงำเกิดแสงสว่างทางปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนเืิด